เกณฑ์จำแน่ประเภททักษิณายบุคคลหรืออารยบุคคลแบบที่สองทักษิณายบุคคล7หรืออริยบุคคล7เ<โ>กณฑ์แบ่งแบบนี้จัดตามอินซีที่แก่กล้าเป็นตัวนำในการปฏิบัติและสัมพันธ์กับวิโมก8จึงควรทราบอินซีและวิโมกแปก่อนอินซีแปลว่าธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจ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 จนเป็นเกณฑ์แบ่งประเภททักษิันหรืออริยบุคคลมีสามอย่างคือหนึ่งสัตทินรีอินรีคือศัทธา 2. สมาทินรีอินรีคือสมาธิและสปัญญินรีอินรีคือปัญญาวิโมแปลว่าความหลุดพ้นหมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักิทั้งหลายเพราะจิตนั้น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 มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกข้อนี้หมายถึงรูปชานสีของผู้ที่ได้ฌานโดยเจริญกะสินกําหนดอารมณ์ภายนอกวิโมกข์ที่3ผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามข้อนี้หมายถึงฌานของผู้เจริญวัน น, กนักกระสินกําหนดสีที่งามหมดจดเป็นอารมณ์หรือตามคำภีปฏิสัมพิธามากว่าฌานของผู้เจริญอัปปมัญญาคือพร ม, มวิหารสี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 วิโมก8ก็คือการแสดงสมาบัติทั้งหลายครบถึงอนุปุพวิหารสมาบัติ9อีกแนวหนึ่งนั่นเองดังจะเทียบได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7ทับ2ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้วิโมกที่หถึงมหมายถึงรูปปาน4วิโมกที่4ถึง7หมายถึงอรูปปาน4รวมวิโมกที่ 1- ถึง คือรวมรูปฌานสีและอะรูปฌานสีก็หมายถึงสมาบัตแ8ส่วนวิโมกที่8หมายถึงนิโรธสมาบัต ร, รวมวิโมกทั้งแปดข้อก็คือสมาบัตแ8กับนิโรธสมาบัตก็เป็นอนุปปภวิหารสมาบัติ9ในการปฏิบัติอินซีจะมาสัมพันธ์กับวิโมกดังนี้คือเมื่อเริ่มปฏิบัต ผู้ปฏิบัติจะมีสัตทินรีหรือปัญญินรีอย่างใดอย่างหนึ่งแรงกล้าเป็นตัวนำถ้าผู้นั้นไปบาเพ็ญสมถะจนได้วิโมกก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมาทินสีเป็นตัวนาที่ว่าได้วิโมกในที่นี้หมายถึงวิโมกที่สี่ขึ้นไปคือได้ถึงอรูปฌานส่วนผู้ที่ยังคงมีสัตทินรีหรือปัญญินรีเป็นตัวนาก็อาจได้ถึงรูปฌานที่สี่